กำลังทำกันเนะเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมที่เรากำลังทำอยู่นีน่ได้ยินในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้ยินมันก็จะง่ายขึ้น วางแล้วได้ยินแล้วปฏิบัติตามความที่ได้ยินนั้นเยศพระพุทธเจ้าจงสังสอนให้เรามีสติไปในกายอยู่เป็นประจำแล้วก็ทําตามไม่ใช่มาพูดเฉยๆกายทำไงจะมีสติไปในกาย การใช้ไปคิดต้อเหตุต่าผลหาคำตอบจากเธอจากผลไม่สมัมผัสให้สติสมัมผัสกับกอดวินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งวิธีใดที่เลลู่ทุกวินาทีก็คือวิชากรรมฐานทุกทุกวินาที วินาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งมันก็มีค่าถ้าเรามีสติไปในกายเมื่อสติมีไปในกายมันก็เกิดไหลขึ้นตรงนั้นเยอะแยะเป็นคุณประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแต่ถ้าไม่มีสติไปในกายแล้ว มีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นอาจจะมีทุกข์มีโทษได้มันมีกายมีใจเป็นทวารกายใจนี่มันมีตาหูจมูกลิน้นเป็นทวารเป็นประตูที่รับกกับโลก ถ้ามามีสติเป็นเจ้าของเป็นเจ้าถิ่นอาจจะเถื่อนมากาาใจของเราใจของเรานี่ผอเผิดที่เป็นทุกข์เป็นโทษไม่ดูแจ้งเห็นจริงอาจจะดื้อด้านไปเลยด้านเตาความผิดเป็นจริตนิสัย ได้จึงหัดให้มีสติเปเญกายก็จะได้เห็นจริงที่เกิดขึ้นกับกายที่เป็นบาปที่เป็นอกุศลที่เป็นทุกข์ที่เป็นโทษแล้วก็จะได้รู้ได้รู้แล้วกลับมาตั้งไว้ที่กรรมฐานจะให สิ่งที่ผิดเป็นผิดให้สิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกตัวนี่ทำ อ, อย่างนี้ทำอย่างนี้ทําให้มันเป็นอย่างนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาให้เป็นความรู้สึกตัวเป็นตัวเฉลยทุกข์ก็รู้แล้วหลงก็รู้แล้วจุข ก, ก็รู้แล้วอะไรที่เกิดขึ้นมาก็รู้แล้ว ขณะที่เราไม่สติไปในกายมันก็มีตามีหูมีจมูกมีลิน้นมีจิตใจวันทีก็จะหลงไปในทางตาก็รู้ทุกตัวสะเหมืนหลงไปทางหูจมูกมลิน้นใจก็จะจะ้รู้ใจที่มันหลงไปก็จะได้รู้วันทีก็คิดปล่อยบางท่านจะเรียน กำลังมีสติก็ปล่อยให้ความคิดต้าไปเราให้รู้จักกลับมาสตินี้พากายหมาจิตกลับบ้านบ้านของกายของจิตคือปกติขอให้กลับบ้านไปไหนก็คายให้กลับบ้านมันมีบ้านใจนี่ใจนี่มันมีบ้าน บ้านของใจคือปกติอยู่เป็นนิดบ้านของกายคือปกติอยู่เป็นนิจเป็นธรรมชาติเาารียนรู้เราก็จะได้รู้จะได้ช่วยกายให้ได้มีบ้านจะได้ช่วยจิตใจให้มีบ้านต้องใช่กายใช่ใจ มีสติอย่างนี้จึงจะมีประโยชน์เกิดขึ้นที่กายที่ใจประโยชน์นั้นเกิดจากปกติที่กายมีบ้านใจมีบ้านนี้มันเกิดมากเกิดผลถ้ากายใจไม่มีบ้านก็เกิดทุกทข์ทุกข์เกิดเจ็บเจ็บตายไปเปล่าๆไม่ต้องอ้างอะไร ด่าโน่นดานี่ไม่มีภาวะเช่นนี้เอาอันื่นมาเป็นกำหนดไม่ได้เอาความยุ่งความยากมากำหนดไม่ได้เอาความแก่ความหนุ่มมากำหนดไม่ได้เอาความอะไรมากาหนดไม่ได้สติรู้ได้ทุกรูปแบบ เป่รู้สุตัวนี่ไม่ได้มีคำ ว, ว่าแก่ว่านมไม่มีคำ ว, ว่ายากวางง่ายไม่มีคำ ว, ว่าเก็บว่าปวดถ้าเน็ดเหนื่อยเมื่อยลา้าหรือสุขหรือทุกข์อะไรก็ตามไม่มีค่าถ้ามีสติมีแต่รูอะไรเกิดขึ้นมาก็รูอะไรเกิดขึ้นมาก็รูให้าอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้นจะได้ถูก จะได้บทเรียนจะได้ประสบการณ์กายก็ถูกสอนใจก็ถูกสอนอ ะ, อะไรที่ไม่ใช่ติก็ลูกสืกตัวซะถูกสอนให้ลูกถูกสอนให้ลูกเมื่อกายใจถูกสอนวายนี่ก็จะจะเกิดมีคุณมีค่าขึ้นมา เรีว่ามนุษย์เป็นทูตประเสริฐเป็นสัตว์ประเสริฐสอนได้ให้เหมือนจตุราชานสอนจากความเป็นปุถุชนให้เป็นกันลยาณนาะปุถุชนสอนกันลยาณนาะปุถุชนให้เป็นอเรเียบุคคนให้เป็นพระขึ้นมาได้ เป็นรายที่ปวเสืดเป็นกิจใจที่ปวเสืดถ้าไม่สอนก็เป็นได้ทุกอย่างเป็นเปรตก็ได้เป็นได้สุลกไกก็ได้เป็นสัตว์นาโลกก็ได้เป็นสัตว์ใดรร่ฉานก็ได้รายใจนี่มันมี มันมีทางไปเยอะแยะไม่เหมือนสัตว์เรัจฉามีาโลกมีเป็ดมีสุรกอยมีสัตว์เดรัจาเป็นพวกผู้มันต่ำเราจะใช้กายใช้ใจงลายเรื่องที่รีบด่วนนะไม่ใช่ประมาทบางทีเราอาจจะมาได้ช่วยดูแลกายใจ ปล่อยทิ้งมานานแล้วเหมือนกับพูดเมื่อานนี่ไม่เคยช่วยข้าวช่วยใจเลยปล่อยเส้นเล่าปล่อยสุบุรีปล่อยทำชั่วจนคนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเงินเป็นทุกข์เนโทษจิตใจก็ปล่อยใจทำชั่วจนเป็นจิตนิสยัย หี่ใจก็พึ่งจิตใจไม่ได้คุ้มร่อยคุ้มดีผู้ผู้แฝ่แฝดบางเกินเป็นขวังกางวันเป็นเตลไหลเรื่อยเห็นไหมเรามีกาลังฝึกสติมันไหลไปไหนจิตใจเวลานอนมันไปไหนมันอยู่กับตัวเองไหม คืนก็ว่าขวันกลางวันก็ว่าคิดไหลเช่นนั้นพึ่งไม่ได้คุ้มน้อยคุ้มดีไม่มั่นใจตัวเองไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็น <c oughs> ความรู้จักของส่วนตัวใครตัวมันก็รู้อยู่เห็นอยู่เรามีสติก็จะสอนเมื่อจิตใจถูกสอนบ่อยๆเราจะเกิดคุณภาพขึ้นมาหมายว่าอะไรถ้าถูกสอนก็ใช่ได้มีใจก็ใช่ได้เพิ่งได้มีใจ ใจปเปิดใจดีมีความสุขใจเจ็นมีความสุขใจตุายก็เป็นทุกเป็นโทษเป็นทุกของพความคิดคิดขึ้นมาก็นอนไม่หลับคิดขึ้นมาก็ลองให้เสียใจยแต่ความคิดเฉยๆก็หยุดไม่เป็น หยุดความคิดไม่เป็นจึงประมาทซะแล้วบังทีก็ทำตามความคิดเสียผู้เสียคนทำตามความปวดทำตามความทุกข์ ยอมรับเวิ่มทุกต้องลองให้ถึงทั้งที่ความไม่ทุกข์ก็มีอยู่ในคราวเดียวกันนั้นถ้าเราฝึกมันจะเห็นทางพบทางไม่จนตรงกันข้ามเหมือนพระชิตตถะมองตรงกันข้ามก็ามีเกิดต้องมีไม่เกิด ถ้ามีเจอต้องมีไม่เจอถ้ามีเจ็บต้องมีไม่เจ็บถ้ามีตายต้องมีไม่ตายมันเป็นอย่างนี้เสวงหาเรื่องนี้จนได้คำตอบไม่ได้ว่ารู้แล้วรู้แล้วทำได้แล้วทำเป็นแล้วทำสำเร็จแล้ว เป็นขั้งสุดท้ายแล้วความหลงเป็นขั้งสุดท้ายแล้วความทุกข์เป็นคขั้งสุดท้ายแล้วความโกรธเป็นขั้งสุดท้ายแล้วความเกิดดีกไม่มีอีกแล้วเมื่อไม่มีความเกิดก็ไม่มีความแจ็ไม่มีความเจ็บไม่มีความตายรสชาติสิ้นแล้วความมัอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ต้องทําไม่มีอีกแล้ว เมื่เป็นอย่างนี้ก็คิดถึงใครคิดถึงคนอื่นยิเวลาเราเก็บเราคิดถึงคนที่เก็บที่เขาไม่ฝึกก็จะเป็นอย่างรอยห่วงคนที่ไม่เคยฝึกเวลาเราตายคิดถึงคนที่ยังไม่ฝึกเขาจะเป็นยังไงเหมือนเราจึงเข้าเองคิดถึงคนที่หิว นี่ก็คือความเป็นจริงทำไมจะปล่อยกันทิ้งบางทีเขามีทุกข์าเขาหลงก็มงานด่า ม, มาว่าเราก็จะไปหลงตามเขามันทำไม่ได้แสดงว่าเขาหลงคนหลงก่อน คนหลงทีหลังหลงกับเขาทีหลังเป็นบาปสองต่อคนที่หลงทีหลังมากกว่าคนที่หลงก่อนคนโกรธก่อนมาทำอะไรโกรธตามคนโกรธตามทีหลังเป็นบาปสองเท่ามากกว่าคนที่โกรธที่หลงก่อนตามตามความหลง ต้องคู่ทงตามความโกรธต้องคู่เขาเกิดทุกข์ขเกิดโทษถ้าเรารู้เราจะรู้จักช่วยกันแต่แบ่งว่าเขาหลงคนที่หลงก็ต้องช่วยกันช่วยคนที่หลงให้ไม่หลงช่วยคนที่ทุกข์ให้ไม่ทุกข์นี่คือว่าถือว่าเป็นบุญก็ว่าได้พรือว่าทุกข์ถึงมัเป็นบาป ให้เขาค้นออกมาจากความไม่ทุกข์ซะเขาก็เป็นบุญบุญคือไม่ทุกข์เราก็เป็นสังคมเป็นสัตว์สังคมถ้าโูกอย่างนี้ก็จะมีแต่การช่วยกันไม่เกิดการทะเลาะวิวาทกันเด <c oughs> เป็นสังขะขึ้นมาความสมัยชีขึ้นมามันไปกลาย โคบงจรของการมีชีวิตร่วมโลกทุกสพาวะจิงไม่มีเบียดเบียนเม็ดดินเม็ดถี่นเม็ดซายแม่น้ำอากาศตาไมา้จต่สาระจริงไม่เบียดเบียนกันจะเกิดไหลขึ้นเกิดเกิดระพึกทุกมุงเหมืองขึ้นมาถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยไม่ปลอดภัย เด็กอายุ10ปี8ปีก็ถูกขมขืนฆ่าตายนี่อะไรก็ไม่ปลอดภัยมีเจ็ภัยในตัวเราก็มีแต่ภัยนอกตัวเราก็มีแต่พิษภัยจะชีวิตรวมโลกก็ไม่ปลอดภัยคนหลงมากกว่าคนไม่หลง มัก็ไม่ปล่อยผยทั้งคนที่ไม่หลงจึงจําเป็นต้องช่วยกันสอนกันบอกกันไม่ปล่อยกันทิ้งมันมีอยู่เหมือนตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่ถูกสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงกันข้ามในร่กายในใจเรานี่ไม่เหมือนวัตถุอันอื่น มันเปลี่ยนได้เจ๊ได้ในเหมือนวัตัวจริงของเช่นควาหลงไม่หลงกลายเป็นความรู้ควาทุกข์ไม่ทุกข์วิธีปฏิบัติก็เห็นอย่างนี้เวลามันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงค้นจากความหลงเวาลวาไมนทุกข์ไม่ทุกข์ หรือมันทุกไม่ทุกคนก้นจับความทุกข์มันไมเป็นไปอย่างนี้อะไรเกิดขึ้นรู้อย่างนี้ทําอย่างนี้ก็เกิดความขยันหมั่นเพียรมีศรัทธามั่นใจเอาอะไรเจอขึ้นมาก็ยิ้มลบทํำบ้าทุกอย่างสิงที่ไมาดีให้กลายมาเป็นความรู้ จุดตัวความรู้จุกตัวความรู้จุกตัวรูกปใหม่ๆตัวหายใจใจอาเซนิมิตเป็นที่ตั้งไมาใช่ไหมนอนคิดเอาอเาหตุเอาผลคําตอบจากความคิดไม่ได้เด็ดขาดามมาธรรมะสัจธรรมเอาเหตุเอาผลมาประกอบไม่ได้ไม่เหมือนวิจาาอื่นๆเช่นตัวบทกฎหมายรัฐธรรม น, ون, รนูญต้องตีความ ให้คนอื่นตีความแล้วแต่ม า, ายอมเสาะแสทีของใครอาจจะทำที่ถูกให้เป็นสิ่งที่ผิดได้อาจจะทำสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกได้แต่ว่าศัจะจธรรมไม่เป็นอย่างนั้นเป็นการตอบด้วยตนเองคนอื่นตอบให้มาได้ จะจะทำไม่แต่คํำตอบไม่มีคําถามคนอื่นตอบไม่ได้ตัวเองต้องตอบตัวเองเช่นความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงกว่าตอบได้อย่างนี้ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงกว่าตอบได้อย่างนี้ทุกครั้งความโกรธไม่จริงความไม่โกรธจริงกว่าตอบได้อย่างนี้ทุกครั้งไปอยากให้มันเกิดมาอ่านเปลี่ยนความรายไปความดีอย่างนี้หรือว่าปฏิบัติธรรม ทำไมเราต้องไม่ทำอย่างนี้ไปทำอะไรอีกจำเป็นอะไรมากมายกว่านี้เรื่องอย่างนี้ปล่อยทิ้งก็เป็นทุกข์เป็นโทษตัวเราไม่มีค่าเลยเกิดมาในชาตินี้หลงจนตอยทุกข์จนตอยโกรธจนตอยนี่พุทธศาสนาคือมี มีมีแบบนี้เห็นคนคนเราในวัฏสงสาหนึ่งต่อสารเจริญคือคนมีสินมีธรรมศาสนาเฉื่อมคนเฉื่อมจากสินจากทรรมจากธรรมะถ้าคนไม่เฉื่อมจากถึงธรรมเป็นคนดีก็เคยมีก็เกิดมี ศาสนบุคคลขึ้นมากันที่ตัง้งเมื่อมีขศาสนาบุคคลก็มีศาสนวัตถุเกิดขึ้นมามีศาสนาธรรมในคนเกิดขึ้นมามีศาสนาพิธีเกิดขึ้นมาปฏิบัติต่อกันอย่างถูกต้องงดงามงามไปหมดของศาสนบุคคลศาสนาธรรมศาสนาบุคคล สาสาวัตุสาสนพิธีเป็นส่วนปรวกอบมาเกิดขึ้นมามีวัดวาอาลามนี่กุฏบวิจัตวาสก ป, ปาจิกาพระสงฆ์ไม่ทีมีธรรมะอันเดียวกันมีสาทธรรมเหมือนกันสาสนธรรมทำให้คนเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่เพิ่มป็นคนละคนใครเขาก็รัความชั่วทําความดีมีสติอันเดียวกันหมดถรามีสติเป็นคนคนเดียวกันหมดคนไทยหกสิบกว่าล้านคนถ้ามีสติเป็นคนคนเดียวกันหมด น, ห น, น้อมนคนคน ม, มีความหลงเป็นคนละคนกันไปพึ่งกันก็ไม่ได้ ร่วลายร่ดีไม่รู้เขาจะเป็นอย่างไรฝากผีว่ากไข่กันมาได้ความรักกลเป็นความเกลียดชังฆ่ากันได้เระความรักตำหนิกันได้เพระความรักรักแบบปุถุชนรักแบบโลกโลกถงโลกมาเป็นความรักแต่แล้วฝากไปพระเจ้าพระเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดในโลก องคุริมานจับดาบไล่ฟันอยู่ก็ยังรักองค์ุริมาณจะช่วยองคุริมาณจนช่วยได้สําเร็จนี่คือความรักที่เป็นสุดยอดที่สุดของพระพุทธเจ้ า, าศาสนานี่เต็มไปด้วยความรักสัตย์ใจสัตตัตงหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ก็เจรียตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งที่เห็ได้มีเบนโตกันนะกันออกมาจากกิจใจ อย่าได้ไับาดเปียดเบียนเยนช่นกันแล้วกันจะแีความสุกใจสุกสายรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นทำช่วไม่ได้เด็กขาดเด็กขาดจริงจริงเราพึกหรอเด็ดขาดจริงในยช่วไม่ทำเด็ดขาดไม่พูดเด็กขาดไม่คิดเด็กขาด ไม่ทำาตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษเด็ดขาดไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษเด็ดขาดเด็ดขาดนีหลับเกนฑ์ความถูกต้องการใช้ชีวิตเกณฑ์ชีวิตอยู่นีทุกๆุโอกาสเกิดลเลยขึ้นแล้วก็มีทวาร ออกมาเป็นเครื่องมือทําความดีได้สำเร็จมือห้านิ้วจิบนิ้วนี่ก็มีสำลังทําความดีแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดก็ออกมาทาชั่วเอาขมหนุ่มมาทําความชั่วมาสร้างกิเลสตันหนาะสร้างทิฐิมานนะวกว่าจะลู่ตัวก็มาสายกันไปแล้ว เก็บจะแล้วแก่จะแล้วจะตายจะแล้วถึงขานั่ะก็จนลำบากร้องห่มร้องไห้ถึงเกาเก็บก็ร้องไห้เห็นคิดไปตั้งแต่นานๆถึงเก่าตายก็ร้องไห้าตากนรกไปเลยเพราะมันเป็นนรกในจิตเป็นญาณของคนนี่ทุกเป็นโทษธ่ ม, มันมีหลายเรื่อง ติดอะไรอยู่ในสมองในจิตวิญญาณนี่ย่อมอะไรมาวิญญาณควเป็นเปรตหิววิญญาณในความเป็นอัจฉริยโง่เมาความผิดก็เป็นความผิดโง่ในความผิดความทุกข์ก็ยังโง่ในความทุกข์เหมือนคงจับขนหัวเอาคงจับมาขนหัวนึกว่าโดกบัวนี่บ้างไหม คิดเป็นทุกหลังจ้งที่ทุกข์กกังคิดอยู่ยังเมาก็ยังเห็นอยู่ยังเป็นทุกข์เป็นโทษ ร, รอ้อยเปอร์เซนต์ร้อนเจ็บแผลเดป่ยเกิดจากการกระทาของตัวเราเองเท่านั้มีหมอก็บอกแล้วว่า โทษของการอยู่การจรินกันใชชีวิตปิดพผาดเป็นโลกสุบุรีเป็นโลกกวนะโลกโลกปอดร้อยเปอร์เซก็ยังสู้กันอยู่เ่ามันติดมันมีเนืโคตีนมันติดได้เลือดนี่มันติดได้กายนี่มันติดได้ใจนี่มันติดได้กระทุ่มถี บอกให้เลิกสุปรีสช้างหงอนจนล้งพ่อเท่าระละตายช้างหงอนถอดมันติดแล้วคนที่สุขก็ตายเพราะโลกสุปขลีเวียนทำใมเ้เวียตายเกิดทุกข์เ ก, กิดโทษเนเล่าเยนเนื้อเดืบไม่คนหนุ่มๆมาจอก ตอนสวรรค์เป็นโลกตับโตทุกพ่อแม่ก็ทุกทุกเป็นโลกตับโตทุกเมียก็ทุกลูกก็ทุกส่งหมองหมาทั้งก็อบทังครัวมหายาดี เอาล้วนหลงต่อนี่เป็นโรกมันเลงรักษาหายก็หนึ่งหล่กหมอดีสะสองยาดีสามกรรมฐานดีสี่มีกนระยามิที่ดีอาจจะหายได้ถ้าทุกทั้งหมดมันก็ไม่มีกนรยามิร เห็นกันก็ร้องไห้ให้กําลังจ่ายแล้วก็คนที่เจ็บว่าไม่มีทางออกจนต่อความเก็บจนต่อความตายต้องแน่นอนด้วยชดชีวิตเรานี่แน่นอนด้วยชดเมื่อเดินมาอยู่ได้อย่างไรอะไรมาอ้างอยู่นี่ ประเทศไทยนะเนี่ยมีวัดวาดล า, ามแบบไทยๆนะมีพระสงฆ์แบบไทยๆนะมีวัดธรรมไปเฮเฟนีแบบไทยๆน่าจะสะดวกในเรื่องนี้เอาอะไรมาอ้างอยู่จำเป็นไหมไม่มีจิงที่อ้างความรู้สึกตัวนี่อยู่ที่ไหนก็ทำได้ หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ได้เคลื่อนไหวก็รู้ได้เดินไปเียนมาก็รู้ได้ทำงานก็รู้ได้กับรถขับเรือก็รู้ได้ผวมรู้สึกตัวมันก็อยู่ที่กายนั่นกายอยู่ไหนรู้อยู่นั่นใจอยู่ไหนรู้อยู่นั่นถ้ามีกายไม่ใจอยู่ก็แสดงว่าทำได้ออกจากตายไปแล้วหรือคนใบ่เป็นใบ้เป็นบ้าคนที่หลงมากก็ทำไม่ได้เลยนะ เป็นไปสอนคนหนึ่งเป็นเจตถีแถวหวังเขนหลายที่เป็นพันพันล้านน <c oughs> ลูกสาวคนเดียวลูกเขยลูกสาวก็ห่วงแม่ลูกเคยก็ห่วงแม่ใช้เงินมากทอดผ้าป่าทำบุญสร้างพุทธรูปใหญ่ที่จุดในโลกด้วยทอง พ, พอดผ้าป่าเป็นสิบล้านยี่สิบล้านไม่เสด็ จ, จักตี ไปที่ไหนทอดผ้าป่าทาตติด๊ดเอาให้เป็นหัวหน้าเป็นประธานห้องพอรมอร่อยใหย้ยิมแยมแจมมายให้เป็นใหญ่เป็นประธานสู่ที่ในคนยกย่องก็งมาใจเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอถูกพระหลอกก็มีนะไห้ไปแล้ว สล้านากาานาน็ยังไม่เสร็จบอกว่าสิบล้านให้ไปเจบล้านยังไม่เสร็จขออีกสามสี่ล้านให้ไปอีกก็ให้เจ็บสักทีวนอยู่เช่นนั้นหลวงตา ก, ก็ไปนั่งศอนนั่งศอนทังลูกสาวก็นั่งอยู่ลูกสายก็นั่งอยู่บ้านหลังใหญ่โตมีแต่ไม่มค่า บอกให้ยิกมือลงดูสิมือวางไว้ัวงเข่าดูสิจะให้ดูก็วางไว้พอทําบอกสองสามคำก็มือก็ไปจับปัต้ามาแล้วก็ว่าก็บ่นป้ายพูดป้ายห้ไปแล้วท้าน้าก็ไปฟอยจะเป็นบ้าไปเลยเลยไม่รู้เลยจริงๆนะมันหลงมากนะนี่หลงทุกคนนะเนี่ย เราอยู่ไหนเดี่ยวนเนี้ยจิตใปวิญญาณเราอยู่ที่ไหนไปอยู่กับอะไรไปอยู่กับเงินสร้างทอดกฐินผ้าป่าแล้วให้เงินไปมากๆก็คิดแต่เรื่องนั่นเลยไม่ได้คิดถึงตัวเองตัวลูกนี่ยที่เป็นของเราเนี่ยก็โกรธพระบ่นให้พระถูกพระหลอกถูกพระหลอกกลเป็นควาโกรธไปเลยก็ กาดีก็จะดีไาคลื่นใจนี่ถ้าประถักไม่ดีก็เสียใจาอาศัยอันอื่นไม่อาศัยกันจิตใจของเรานี่ททำแล้วก็ดีใจสุขใจจังมุมนี้ก็ทำไม่เป็นอิมใจจะทำแล้วให้แล้วเป็นไม่ใช่ความผิดของเราเช่นเวลานี้เราได้ทำอะไรบ้างช่วยโลก ไห่ทำหรือยงังแม่บางคนเอาจจะช่วยลูกจนสุดฝีมือแล้วมีเหลอ ย, ยังข้างกายอยู่ไหมเพราะแม่ไม่บุกพ้องไม่คาดตัวบกพ้องไปคิดอะไรให้หมดแล้วไปคิดอะไรอีกหรือว่าคิดห่วงอะไรอาวรณ์อยู่เป็นห่วงคนนั่นคนนี้แล้วไม่ห่วงตัวเอง คิดอะไรกันอยู่ลูกพาพ่อแม่ช่วยแล้วไปหลงทางไหนอีกน่าจะมีโอกาสทำความดีตอบแทนทำเดี๋ยวดีแต่เดืนหรือมีโอกาสมีโอกาสทำชั่วมากขึ้นหรือมีเงินมีทองสนุกเที่ยวเตีเรืเร่รอดหรืออยู่ในกองเงินกองทองมีอาชีพ ลืมแล้วหรือลืมเพื่อนคนเรือลยบางทีก็ลืมจนะิะต่างคนต่างลืมตัวเองเท่านั้นไม่เห็นบุญเห็นคนไม่เห็นทุกข์เหนโทษลืมใช่นีมลืมตอกแทนลืมทํางานช่วยเหลือว้ตอนแต่เลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านโตทําจิตการงานของท่าน ดำรงตระกูลโหยตนสมควนรับช็อปอุดกเมื่อท่านเกล่แล้วเรียงท่านตกบเมื่อท่านลงรับไปแล้วทำบุญุทธิ์ใ้ท่านหรืออย่งเมื่อว่าตายเขาหลงีเมลวกับ ม, มาเยี่ยมพอเยี่ยมเนะี่ยมีเหมือนกันนะบางทีไม่มาเลยหรอไม่ได้เป็นอย่างนั้นเต๋อทุกวันเนะี่ยไม่เหมือนสมัยวนราณ วันตวันนี้พแม่เป็นลูกกํเป็นกํา้าลูกมีเหมือนกันจนสร้างบ้านผลแจ่ไว้ที่วัดภูเขาทองเห็นปัญหาเรื่องนี้พุ่มหลานมาหลวงพ่อขอหยิบเงินจักสองรอยบาทพาหลานไปหาหมอหลานป่วยไม่มียอมไม่มีเงินไปหาหมอ เขาก็ไปส่งเงินปอนนี่เกิดขึ้นมาไม่ใช่เรื่องน้กยแต่น้อยมากแล้วตัวบอกขออนดาวายถ้าหิวไม่มีอะไรจะินก็มาอยู่บ้านหลังนี้ถ้าเจ็บไข้เด็วกวัวมีรถให้ใช้ไปขาบาหมอไม่ต้องเสียไม่ต้องไปกู้นี่ยืมงฉินก็อบอกอยู่ แต่ไม่มีคนมาใช้ต่างคนต่างหลงกันแลลืมตัวเองไปเพราะลืมตัวเองจึงทำห้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษผิดพลาดตายถ้าเราไม่ลืมตัวเองไม่จะเห็นคุณเห็นค่ามองอะไรก็ไม่เห็นไม่เปียนเอยมาลูบ <c oughs> ตัวเองเดาคิดถึงบุญคุณของบ่ของแด่คิดถึงบุญคุณของทุกถึงทุกอย่าง บุญคนต้นไม้แม่น้ำอากาศสุนอาหารเชื่อผ้าผ่อนไม่ใช่ไปชองอะไรนี่่วงเล่าสมัยหนึ่งล่องเดียนไปยังกมวัฒนธรรมเล่าได้ไหมเมียตายไม่เสียดายถ้าลงหกล่องกันจู มาตองปั้มน้ำมันโอ้โหปรเทศไทยเป็นไงเนาะเวลาเขาไปจอดรถกินข้าวเลยเปิดเขาเปิดตู้เบ่งเนื่อตายไม่เฉดดายทะโลหกโอ้ลองเดี๋ยวไปก็เดี๋ยวนี้ก็เงียบไปแล้วใช่ไหมเงียบไหมโอเคอาจจะเงียบแล้วนะเรียนนั่นไปมาล่องเพลง สมัยสอนเด็กนักเดียนคนว่าแม่เด็กกินเหล้าดีดีเ้านเท่าฝอหวานนะบอกไปเลยนะเอาเลี้ยงลูกให้เพ่อกินเหล้าเมาเอาพาเด็กล่งลงองแฟงอกกุดโตมาโ อ, โอสองปานเงื่อนสามบาทไปชื่อปา่ามาอย่างใส่ป่าไปกินดั้งลูกร้ยงเต่า พี่พ่อไปซื้อเหล้าแด้วจินต์แต่เล่าผู้เดียวเด็กนักเรียนโน้อฮ่อาฮ่าฮสาาฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ